สวัสดีครับที่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บาท น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพิจเปรซูตอนที่สามร้อยแปดสิบห้าเรื่องบาธิเมอัสครั้งที่สองพระเจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ยี่สิบข้อยี่สิบเก้าจนถึงข้อที่สามสิบสี่มัทธิวบทที่ยี่สิบข้อยี่สิบเก้าถึงข้อที่สามสิบสี่โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกออกไปจากเมืองเยริโคฝูงชนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไปแต่นี่แน่มีคนตาบอดสองคนนั่งอยู่ริมหนทางเมื่อได้ยินว่าพระเยซูเสด็จจึงร้องว่าพระองค์ผู้เป็นบุตรดาวิดเจ้าค่าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดฝ่ายประชาชนก็ห้ามเขาให้นิ่งเสียแต่เขายิ่งร้องขึ้นอีกว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิด ขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูจึงหยุดประทับยืนอยู่เรียกเขามาแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองจะใครให้เราทําอะไรเพื่อท่านเขาทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอให้ในตาของข้าพระองค์หายบอดพระเยซูมีพระทัยสงสารก็ทรงถูกต้องในตาเขาในทันใดนั้นตาของเขาก็เห็นได้และเขาทั้งสองติดตามพระองค์ไป เมื่อวานนี้นะครับผมได้เรียนให้ทุกท่านทราบแล้วว่าข้อมูลของจํานวนคนตาบอดนั้นนะครับในพระธรรมมัทธิวบันทึกว่ามีสองคนแต่ในพระธรรมมารโกในพระธรรมลู ก, กานั้นนะครับมารโกบันทึกชัดเจนว่าชื่อของคนคนนี้นะครับคนคนหนึ่งในสองคนนี้คือบาธททิเมอัสในลู ก, กาบทที่สิบแปดก็บันทึกถึงชายตาบอด ที่รับการรักษาเพียงคนเดียวนะครับโปรดอย่าขับสนครับว่ามีความขัดแย้งกันแสดงว่ามีอันใดอันหนึ่งไม่จริงหรืออันใดอันหนึ่งโกหกไม่ใช่เป็นเช่นนั้นครับเมื่อวานนี้พี่น้องอาจจะกลับไปดูกลับไปฟังนะครับว่ามันมีความแตกต่างเรื่องของมุมมองอยู่ในสถานการณ์หรือไม่หรืออยู่ในอีกฝั่งถนนนะครับซึ่งผมได้ยกเป็นโมเดลในการที่ อธิบายให้พี่น้องทราบว่าต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างเขียนนะครับและไม่ได้หมายความว่าเขียนไม่ตรงกันแล้วคนหนึ่งคนใดจะผิดมันเป็นเหมือนกับคําพยานนะครับพยาเนเห็นเหตุการณ์ในมุมนั้นพยาเนเห็นเหตุการณ์ในมุมนี้พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้จบลงที่ว่าพระเยซูทรงพระเมตตาต่อชายตาบอดนะครับทั้งสองคนชายตาบอดทั้งสองคนนี้ ถือว่าเป็นผู้ที่โชคร้ายครับเพราะบางคนนั้นอาจจะเกิดมาตาบอดบางคนอาจจะตาบอดเพราะโาครคภัยไข้เจ็บแต่ก็ตามครับท่าทีที่เบียสูชงมีต่อผู้คนคือปรงทรงเมตตาเป็นความรักที่แสดงออกต่อผู้ที่เจ็บป่วยต่อผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงทางสังคมต่อผู้ที่ได้อโอกาสต่อผู้ที่เหน็ดเหนื่อยต่อผู้กระทําผิดต่อผู้ที่สังคมบอกว่าโชคร้ายในวันนี้นะครับ เราจะเน้นอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญผู้เขียนได้กล่าวว่าชายตาบอดนั้นได้ยินเสียงของกระบวนการฝูงชนที่ผ่านมาลูกาบอกว่าชายนั้นถามประชาชนใกล้ๆตัวเขาว่าเกิดเรื่องอะไรพวกเขาก็ตอบว่าพระเยซูชาวนาซาเรสพี่น้องครับสังเกตนะครับว่าคําว่าพระเยซูชาวนาซาเรสแต่คนขอทางซึ่งเป็นคนตาบอดมาที่เบอสัสคนนี้เนี่ย ร้องเสียงดังว่าเยซูบุตรดาวิดนะครับแตกต่างกันใช่ไหมครับประชาชนร้องว่าเยซูชาวนาซาเลตแต่มาที่เบอสร้องว่าเยซูบุตรดาวิดขอทรงเมตตาข้า พ, พระองค์เถิดทีน้องครับต่างกันตรงที่ว่าบุตรดาวิดครับบุตรดาวิดนั้นเป็นความหมายที่พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยา ทรงเป็นผู้ที่อยู่ในคําสัญญาในคําพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมใครก็ตามนะครับที่ร้องเรียกพระนามนี้ของพระเยซูหมายความว่าคนคนนั้นนั้นเขายอมรับการทํานายในพระคัมพีเดิมสําเร็จอยู่บนตัวของพระเยซูพระคัมภีร์เดิมนั้นได้ทํานายและบอกล่วงหน้าเป็นพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเมสสิยาจะเสด็จมาทางบุตรหลานของดาวิด ด้วยเหตุนี้นะครับผู้เขียนพระกัมพีได้กล่าวว่า <c oughs> ประชาชนตำหนิชายตาบอดและบอกให้เขาเงียบเสียงลงพี่น้องครับทำไมครับเพราะเขาต้องการรับความรอดที่มาจากพระเมสสิยารับความช่วยเหลือที่มาจากพระเมสสิยาครับเขาต้องร้องเสียงดังครับพี่น้องการร้องเสียงดังก็แสดงให้เพื่อที่จะรู้ว่าจะได้สู้กับเสียงของคนอื่นที่ร้องดังกว่าเขาพวกประชาชนทั้งหลาย ดูกาบอกว่าผู้ที่เดินไปข้างหน้าได้ตำหนิชายคนนี้แต่สิ่งที่เป็นเสียงตำหนินั้นห้ามปรามมาบาททิเมอัสไม่ได้เลยพี่น้องครับหลายในครั้งนะครับเราทำในสิ่งที่ดีเราต้องการที่จะให้เกิดสิ่งดีในชีวิตของเราแต่ผู้คนก็ตำหนิแต่พี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราต้องเรียนแบบอย่างจากบาลิเมอัสครับใครอาจจะมองว่าเราเป็นคนที่ดื้อรั้นหัวแข็งแต่พี่น้องครับ อยากจะให้กำลังใจพี่น้องว่าบาธิเมอัสนั้นถูกห้ามตามแต่บาธิเมอัส์นั้นไม่ได้ย่อท้อเพราะเขารู้ว่าพระเยซูเป็นใครและเมื่อเขารู้ว่าเขาจะต้องพึ่งพาพระเยซูแล้วพระเยซูจะสามารถอวยพรชีวิตของเขาได้และเขาจะสามารถติดตามพระองค์ไปได้ด้วยสายตาที่ดีครับพี่น้องครับผู้เขียน พ, นพระคัมภี์ได้บอกว่าเขาร้องตะโกนดังยิ่งขึ้นอีกดังยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในที่สุดพระเยซูก็ประทับหยุดครับและสั่งให้พาชายตาบอดหรือเขาบาธิเมอัสนั้นมาหาพระเยซูนี่เป็นการแสดงออกถึงความสงสารความรู้สึกเมตตาของพระเยซูที่มีต่อบาธิเมอัสมาระโกบันทึกท่าทีของฝูงชนว่าได้พูดกับบาธิเมอัสนะครับและในขณะเดีวยวกันพระเยซูนะครับก็รักษาเขาฝูงชนนั้น พอเห็นว่าพระเยซูทรงเมตตาบาดทิเมอสันก็กลายเป็นว่าก็หยุดห้ามครับแล้วก็บอกกับบาดทิเมอสว่าจงชื่นใจและลุกขึ้นเถิดพระองค์ทรงเรียกเจ้าเห็นไหมครับฝูงชนพยายามที่จะพลีสพระเยซูเอาใจพระเยซูในขณะที่เมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมานั้นฝูงชนบอกให้บาดิเมอสเงียบพี่น้องครับมาระโกบอกว่าชายคนนี้หรือบาดทิเมอสนี้ทิ้งพระหม่ม ลุกขึ้นมหาพระเยซูผ้านี้หมายถึงเสื้อคลุมยาวตัวนอกซึ่งใช้ห่มตอนกลางคืนและเป็นเสื้อนอกในเวลากลางวันพี่น้องครับพี่น้องเห็นภาพไหมครับว่าบาธิเมอัสและชายตาบอดอีกคนหนึ่งสลัดผ้าครับสลัดชุดหรือเสื้อคลุมมาหาพระเยซูทิ้งสิ่งที่เขาจะต้องใช้มหาพระเยซู คำว่าจงชื่นใจเถิดมีปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่เพียงเจดครั้งเท่านั้นครับพระเยซูทรงใช้ผู้นี้คําคํานี้นะครับถึงหกครั้งด้วยกันและยกเว้นครั้งนี้ครับในเรื่องของบา ท, ทิเมอัสชายตาบอดผู้นี้เท่านั้นพี่น้องครับพระเยซูตรส ถ, ถามเขาบอกว่าเจ้าปรารถนาให้เราทําอะไรให้เจ้าพระเยซูทรงทราบครับว่าชายคนนี้มีความปรารถนาที่จะ อยากจะมองเห็นยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดแต่พระองค์ก็มีพระประสงค์จะได้ยินเขาพูดออกมาจากปากของเขาและนี่ก็เป็นความจริงสำหรับเราทุกคนครับพระเงาภีบอกว่าพระองค์ได้ทรงทราบถึงความต้องการของเราแล้วก่อนที่เราจะทูลขอเทียอีกแต่ในคำสอนของพระเยซูครั้งแล้วครั้งเล่าครับพระเยซูสอนให้เราทูลขอทูลขอทูลขอพระองค์มีพระประสงค์ที่จะฟังคาทูลอ้อนวอนของเราครับ แหากเราอาธิษฐานตามอย่างที่ทรงสอนสาวกไว้แล้วเราจะสั่นเถื่อนพระนามของพระองค์ก่อนแล้วเราค่อยทูลขอชายตาบอดคนนี้ยกย่องพระนามพระเยซูขณะที่เขาเอ่ยถึงพระเยซูเขาเรียกพระเยซูว่ารับบีเขาเรียกพระเยซูว่าเยซูบุตร ด, ดาวิดโรงเจ้าข้าข้าโปรดให้ข้าพง์ได้เห็นพระเยซูตรัสในธรรลูกาว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติ เพียงครับพระเยซูเน้นว่าตัวนะครับพระเยซูไม่ได้บอกว่าตาไม่ได้บอกเฉพาะตาให้ได้เห็นครับแต่ตัวเจ้าหายปกติต้นหมายความว่าในที่สุดแล้วเขาทั้งสองนั้นได้ถาวายชีวิตติดตามพระเยซูไป <c oughs> ความเชื่อของเจ้าได้ช่วยให้เจ้ารอดมีความหมายเหมือนกับในพระธรรมลูกาบทที่สิบ็ดครับเมื่อพระเยซูทรงรับรู้ความเชื่อของชายโรกเรือนชายโรกเรือนคนที่กลับมากล่าวขอบคุณพระเยซูนี่นแหละครับโปรงจัดเหมือนกัน ความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติหายปกติทั้งตัวครับหมายความว่าเขาได้รับความรอดนะครับฝ่ายจิตวิญญาณพร้อมกับการรักษาโรคทางกายคนโรคเลือนได้รับการรักษาให้หายจากโรคเรือนอย่างไรปาทิเมสก็รับการให้หายจากตาบอดและได้รับความรอดจากพระองค์ฉะนั้นพี่น้องครับมรารโกและบันทึกและลูกาบันทึกตรงกันว่าในทันทีทันใดเห็นไหมครับพี่น้องครับ คำทำานายของอิสยา่กล่าวด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้นะครับช่วยงามมากครับอิสยา่บทที่สามสิบห้าข้อที่ห้าข้อที่หกซึ่งเป็นการสรุปในเช้าวันนี้แล้วในตาของคนตาบอดก็จะเปิดออกแล้วหูของคนหูหนวกจะเบิกแล้วคนง่อยจะกระโดดได้อย่างกว้างลิ้นของคนใบ้จะร้องเพลงด้วยความชื่นบาน พี่น้องครับไม่เพียงแต่พระเยซูสามารถรักษาโรคทางกายของเราพระเยซูสามารถรักษาโรคทางจิตวิญญาณของเราด้วยโรคทางจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยพี like ่น้องครับพระเยซูทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระเจ้าของเราเช่นเดียวกันครับเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพระเยโฮวาห์ราฟาขอให้เรามีความเชื่อนะครับว่าน้ําพรไทยที่ดีประเสริฐที่สุดจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราหากเป็นน้ำพรไทยของพระเจ้าในการที่เราจะหายโรคจากโรคร้ายจากโรคไัยไขเจ็บ พระเจ้าจะช่วยเราครับในขณะที่หลายละคนอาจจะไม่หายแต่พระเจ้ามีน้ำมันไทยพระประสงค์ที่ดีกว่ารอคอยเขาอยู่ขอพระเจ้าช่วยเราและของการหนุนน้ำใจจะเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องทุกท่นานอเมน